เด่รอนพรท่านภูมิจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกท่กทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านตรหลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาปฏิบัติ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณพันประเสริฐผู้มีความรู้ความฉลาดที่เหนือกว่าพวกเราความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่พวกเรายัางไม่รู้กันพวกเราถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนตาบอด ส่วนพระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีพระพุทธเจ้ามองอะไรไปทาไหนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่พวกเรามองไปทาไหนก็มองไม่เห็นอะไรเพราะตาพวกเรานั้นบอดตาที่บอดนี้ไม่ใช่ตาที่ติดอยู่กับร่างกาย ตาที่ติดอยู่กับร่างกายของพวกเรานี้ไม่บอดเราเห็นรูปต่างๆเห็นคนเห็นอะไรต่างๆแต่ตาในของพวกเราคือตาทิพย์นี้ยังบอดอยู่ยังไม่มองมองไม่เห็นโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เป็นเหมือนโลกใต้น้ําบาดาลโลกที่อยู่ใต้น้ําถ้าพวกเราไม่ดําน้ําลงไป เราจะไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำเราจะเห็นแต่ผิวน้ำเราก็อาจจะคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ใต้น้ำก็ได้แต่ถ้าเราดำน้ำลงไปใส่หน้ากากใส่แว่นเราก็จะเห็นโลกใต้น้ำจะเห็นปล า, าเห็นปลาเห็นอะไรต่างๆที่เราบอกไม่เห็น ถ้าเราไม่ได้ดำลงไปในน้ําโลกทิพย์ก็เป็นอีกโลกหนึ่งเหมือนกับโลกใต้น้ําใต้บาดาลที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะพวกเราไม่กระโดดลงไปในน้ําไม่กระโดดเข้าไปในโลกทิพย์พระพุทธเจ้านี้พระองค์สอนกระโดดลงไปในน้ํากระโดดลงไปในโลกทิพย์จึงเห็นสิ่งต่างๆ ที่พวกเรามองไม่เห็นกันพระพุทธเจ้าเห็นนกที่ว่ามีหลายชั้นมีชั้นที่ดีมีชั้นที่ไม่ดีชั้นที่ดีท่านเรียกว่าสุขคติชั้นที่ไม่ดีเรียกว่าทุกขติหรืออบายชั้นที่ไม่ดีที่พวกเรามองไม่เห็นกันนั้นก็คือชั้นของเปรตชั้นของผีชั้นของนรก อันนี้พวกเราไม่มีวันที่จะมองเห็นได้ถ้าเราไม่กระโดดเข้าไปในโลกที่เช่นเดียวกับชั้นที่ดีคือชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพชั้นพรหม ช, ราาชั้นพระอริยเจ้าชั้นพระนิพพานเหล่านี้อยู่ในโลกที่ไม่ได้อยู่ในโลกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าของพวกเรา ของต่างๆที่เราเห็นด้วยตาเปล่านี้ไม่ใช่เป็นโลกที่เรียกว่าเป็นโลกของโลกกระธาตุตาเราเห็นโลกกระธาตุเห็นสิ่งที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเห็นดวงดาวเห็นดุเห็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสวรรค์ไม่ใช่เป็นนรกเราจะขึ้นไปนั่งจรวดขึ้นไป ไกลขนาดไหนบนท้องฟ้าเราก็จะไม่มีวันเจอสวรรคนะ์เราจะเจาะลงไปในโลกนี้ลึกขนาดไหนเราก็จะไม่เจอนรกตอนนรกสวรรค์ไม่ได้อยู่ในโลกกรางแต่อยู่ในโลกทิพยนะ์วิธีที่เราจะเห็นโลกทิพย์นี้เราต้องนั่งสมาธินะนั่งหลับตาทาใจให้สงบนะถ้าใจเราสงบแล้ว โลกทิพ์ก็จะปรากฏให้เราเห็นเราจะเห็นสวรรค์เราจะเห็นนรกเราจะเห็นเปรดเห็นผีเราจะเห็นเทวดาเห็นพระอริยเจ้าเห็นพระอรหันเห็นพระพุทธเจ้าที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่ไปอยู่ในโลกทิพย์พระพุทธเจ้าของพวกเราที่เรากล่าวไหว้บูชาหรือพระอรหันต์ะสาวกนี้ ท่านไม่ได้หายตายจากไปท่านไปอยู่ในโลกทิพย์แล้วท่านก็ไม่ต้องกลับมาอยู่ในโลกกะทาเพราะท่านสามารถที่จะตัดสิ่งที่ดึงดูดให้ท่านมาอยู่ในโลกกะท่าเหมือนพวกเราพวกเรานี้ยังมีแรงดึงดูดที่จะดึงใจดึงตัวพวกเรา ให้มาอยู่ในโลกธาตุให้มาเกิดเป็นมนุษย์บ้างให้มาเกิดเป็นเดรัจฉานบ้ า, างการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าเรามีศีลห้าเราไม่ได้ทำบาปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าเราทำบาปแล้วเราไปใช้บาปหมดแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับถ้าเราทำบุญ เราก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่พอบุญหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเรายังมีแรงดึงดูดที่จะดูดให้เรากลับมาเป็นมนุษย์กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่สำหรับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกนี้ท่านตัดแรงดึงดูดได้ท่านกำจัดแรงดึงดูด ที่จะดึงตัวให้ท่านกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้แรงดึงดูดที่ดึงให้พวกเรามาเกิดการ น, นี้ก็เรียกว่าความอยากต่างๆนี่เองความอยากนี่แหละที่ทำให้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มามีร่างกายเพราะเราอยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสของของต่างๆ ผ่านทางร่างกายเราจึงต้องมีร่างกายแต่สำหรับพระพุทธเจ้าพระอรหรนันต์นี้ท่านตัดความอยากหมดไปจากใจใจของท่านไม่มีความอยากใจของท่านก็เลยไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราใจของท่านอยู่ในโลกที่อยู่ในชั้นนิพพานชั้นนิพพานเป็นชั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิด ชั้นอื่นนี้ยังต้องกลับมาเกิดชั้นเทพชั้นพรหมแม้แต่ชั้นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีก็ยังกลับมาเกิดถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็จะไปถึงพระนิพพาน นี่คือเรื่องที่พวกเราไม่รู้กันมองไม่เห็นกันมีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสารกทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถเห็นได้พอท่านเห็นแล้วท่านก็เลยสามารถทำให้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราได้การกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ เพราะว่าไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บกันไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ถ้ามีร่างกายแล้วร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนคนฉลาดจึงตัดแรงดึงดูดที่จะดึงให้กลับมาเกิดแรงดึงดูดก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือตัวที่จะดึงดูดให้สัตว์โลกให้จิตใจของพวกเราส่งกลับมาเกิดในโลกกธาตุกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดแล้วความอยากต่างๆ พาาระอรหันตสาวกก็ได้ตัดแล้วความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าก็เอามาสอนพวกเราต่อสอนวิธีที่จะทําให้พวกเราตัดความอยากได้ถ้าพวกเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำํำพระพุทธเจ้าทรงตัดความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการออกบวชไปเป็นพระพระสาวกก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปบวชเป็นภิกษุณีหรือเป็นบวชเป็นชีการบวชนี้เป็นการตัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่อยากโตอยากร่ำอยา ก, ยา ก, ยากรวย และตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายวิธีที่จะตัดได้นอกจากการออกบวชแล้วก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพราะว่าการกระทำบาปก็ทําจากความอยากนี่เองอยากจะได้อะไรก็ไปทําบาพเพื่อจะให้ได้สิ่งที่อยากได้อยากได้เงินก็ไปขโมยอยาก กินอาหารอยากกินปลากินนกก็ไปยิงนกตกปลาต้องถือศีลเพื่อที่จะได้ไม่ไปทำตามความอยากต่างๆแล้วก็ต้องมาทำใจให้สงบเพราะการถือศีลอยัางไม่สามารถที่จะทำลายความอยากให้หมดไปได้ต้องทำให้ใจให้สงบและทำใจให้ฉลาด ถึงจะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่คือเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำทางสอนให้พวกเรารักษาศีลสอนให้พวกเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่เช่นนั้นพวกเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย แล้วพอมาเกิดแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเรยมดูร่างกายบางทีเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถทำมาหากินโดยวิธีที่ไม่ทำบาปได้เราก็เลยไปทำบาปพอเราไปทำบาปมันก็จะมีผลมีวิบากรรมตามมาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่เป็นเหตุนี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราต้องมาเกิดแต่ถ้าเรามีบุญมีวาสนาเราสามารถทํามาหากินโดยไม่ต้องทําบาปได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเรามีความเมตตาเรามีความปรารถนาดี มีความหวังดีต่อผู้อื่นมีความสงสารเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็แบ่งของแบ่งทรัพย์ที่เรามีให้แก่ผู้อื่นเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากลำบากก็จะทำให้ใจของพวกเราเป็นเทวดากันทำให้พวกเรานี้เวลาตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดากันหรือว่าถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าเรามีศรัทธาที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจของเราสงบได้เวลาตายไปเราก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นขงได้แล้วถ้าเราสามารถกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้เราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราตายไปแล้วนี่เราไปไหนกันเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราเอง ตัวเราเองที่แท้จริงนี้ไม่มีรูปมีร่างเหมือนกับร่างกายร่างกายที่พวกเราคิดว่าเป็นตัวเรานี้ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเพราะเรามีความอยากเพราะเรามีความอยากดูอยากฟังเราก็ต้องมีร่างกาย พาเราไปดูไปฟังพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขต่างๆเราก็เลยติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดการติดยาเสพติดนี้มันไม่ดีพวกเราก็รู้เพราะเวลาที่ไม่ได้เสพนี้จะทุกข์ทรมานมากฉันใดการมาหาความสุขผ่านทางร่างกาย ก็เช่นเดียวกันเวลาที่ร่างกายแข็งแรงสามารถหาความสุขทางร่างกายได้เราก็ไม่เดือดร้อนแต่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่หรือเวลาที่ร่างกายตายนี้เราจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจเหมือนคนติดยาเสพติด เราก็ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกิดมากี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ชาติเกิดมาพั๊ก็มาทำตามความอยากกันไม่ต้องสอนเรื่องการทำตามความอยากแม้แต่เด็กตัวเล็กๆมันยังอยากเลยเห็นอะไรมันก็อยากจะได้เห็นอะไรมันก็อยากจะดูนี่มันเป็นสิ่งที่ติดมากับใจของพวกเราทุกคน แล้วพวกเราก็จะทำตามความอยากไปด้วยการทำบาบ้างไม่ทำบาบ้างทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้างเวลาเราตายไปเราก็เลยต้องไปเกิดในอบายบ้างไปเกิดในสวรรค์บ้างแล้วพอหมดบุญหมดบาป ท, ที่เราทำเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำบุญมาทำบาปใหม่ นี่คือเรื่องของพวกเราที่เราได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องพบชาติที่พวกเราได้มาเกิดนี้นับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราเอาน้ำตาที่เราต้องหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวมกันนี่น้ำตาที่เราได้หลั่งมาแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่า น, น้ำในมาหาสมุทรมากขนาดไหนเราจะต้องร้องไห้มากขนาดไหนถึงจะได้น้ำมากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือภพชาติที่เราได้มาเกิดกันและก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิน้ตนตราบใดที่เราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้มา มไม่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเพื่อที่จะนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราเชื่อว่าพวกเรานี้ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่เรายังมีความอยากอยู่และถ้าเราอยากที่จะตัดภพตัดชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเราต้องพยายามพุ่งเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติธรรมให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ไปปฏิบัติธรรมไม่ไปบวชไม่ไปนั่งสมาธิไม่ไปเจริญวิปัสสนาไม่ไปเจริญปัญญาเราจะไม่มีกําลังที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าเราไม่ ตัดความอยากเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เหมือนกับที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะตั้งเป้าหมายของพวกเราคือการปฏิบัติธรรมกันตอนต้นเราก็สามารถปฏิบัติธรรมในขณะที่เรายังไม่ได้บวชได้เราทําไปตาม กำลังของเราในขณะนี้ก่อนได้เช่นในแต่ละวันลองหาเวลานั่งสมาธิกันบ้างเช่นเช้าเยน็นตื่นนอนขึ้นมาแล้วก่อนที่จะไปทำภารกิจการงานต่างๆก็ลองนั่งสมาธิกันสักส5บห้านาทีย0สิบนาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้มันไม่ยากหรอกถ้าเราลองทำกันที่มันยากเพราะเราไม่ทํากัน เพราะเวลาทำใหม่ๆมันจะรู้สึกยากเพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่เคยทำเหมือนกับเวลาที่ขับรถใหม่ๆถ้าเราไม่เคยขับรถมาก่อนเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่พอเราหัดขับไปแล้วก็ขับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นมาเองชันใดการฝึกทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากไว้ช่วงทางนี้ ก็เป็นสิ่งที่ยากเย็นในตอนตอน้นสิ่งที่ยากก็เพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้ใจเราสงบนี้เรียกว่าสติก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้นี้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นวิธีที่เรารู้จักเราได้ยินได้ฟังก็คือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจเราคิดเลื่อยเปื่อยคิดไปแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดไปแล้วก็วุ่นวายใจหยุดความคิดเหล่านั้นดีกว่าด้วยการให้เราคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเราลองหัดท่องพุทโธไปแล้วต่อไปเราจะสามารถใช้พุทโธนี้หยุดความคิดเวลานั่งสมาธิเราก็จะทำใจให้สงบเข้าไปในสมาธิได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราต้องสร้างพุโทโธขึ้นมาก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนด้วยการบริกรรมหรือท่องพุโทโธไปภายในใจเราควรจะทำตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราตื่นขึ้นมาปั๊บก็พุโทโธพุธโทโธไปแล้วไม่ว่าเราจะไปทำอะไรเราก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปไปอาบน้ำไปแต่งตัวไปกินข้าว ไปทำงานไปโรงเรียนไปทำอะไรเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปจะหยุดพุดโทโธก็ตอนที่เราต้องใช้ความคิดทำอย่างอื่นเช่นเวลาเราทำงานเราต้องใช้ความคิดกับเนื่องทำงานเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวก่อนแต่พอเราไม่ต้องใช้ความคิดไปกับการทำงานหรือไปกับการเรียนหนังสือหรือไปกับการคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เราก็ ใช้พุโทโธต่อไปพยายามอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าจะจำเป็นจะต้องคิดก็คิดได้แต่คิ ด, คดพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดกลับมาพุโทโธพุธโทโธใหม่พยายามฝึกทำพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบ เราจะทำได้ว่าะเราจะควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลานั่งสมาธิก็หลับตาแล้วก็พองท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏให้เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดของเราก็ดีหรือมีอะไรต่างๆให้เราเห็นก็ดีเราอย่าไปสนใจ ให้เราเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปคือความสงบความหยุดของใจหยุดตันหาหยุดความอยากต่างๆเราต้องท่องบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งสงบเย็นสบายแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏให้เรารับรู้ อันนั้นใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขจะไม่หิวไม่มีความอยากต่างๆเราจะเห็นความแตกต่างเวลามีความอยากกับเวลาไม่มีความอยากว่าเวลาไม่มีความอยากนี้แสนจะสบายแต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจไม่สบายแล้วเกิดความกังวลกังวายกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้ว เราจะเห็นโทษของความอยาก ท, าทันทีแล้วถ้าเราอยากจะทําลายความอยากเราก็ต้องเจริญปัญญาต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเราก็มาสอนใจให้ดูของต่างๆที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราว่ามันให้ความสุขกับเราจริงหรือไม่หรือมาให้ความสุขเดียวเดียว แล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเช่นเราอยากมีแฟนเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกเราเราคิดว่าเวลาเรามีแฟนแล้วเราจะมีความสุขมีเพื่อนถ้าแฟนก็ดีกับเรามันก็เป็นความสุขแต่ถ้าเขาไม่ดีกับเรามันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปได้ถ้าอยู่กับแฟนแล้วทะเลาะกันตีกันกอกันเกลียดกัน อย่างนี้จะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์แล้วมีอะไรที่จะมารับประกันได้ว่าเวลามีแฟนแล้วเขาจะดีกับเราไปตลอดเขาจะไม่มีวันไม่ดีกับเราไม่มีอะไรมารับประกันได้เพราะของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนของทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนได้จเจริญได้เสื่อมได้เกิดได้ดับได้มาได้ไปได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องหัดดูหัดมองกันอย่าไปมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเสือ่อมไม่มีการดับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสังเกต ด, ดูให้ดีมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการดับทั้งนั้นเช่นดอกไม้ดอกไม้ตน้ตนตน้นมันก็มันก็อยู่ในต้นไม้ก่อนแล้วมันค่อยโผล่ออกมาเป็นดอกไม้ แล้วพอเราตัดดอกไม้เอามาปักไว้ในแจกันทิ้งไว้สักไม่กี่วันเดี๋ยวดอกไม้นั่นก็เหี่ยวแล้วดอกไม้ก็เฉาแล้วต่อไปมันก็แห้งนี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรเวลาที่เราคิดว่าเราจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้มองนานๆมองลึกๆแล้วถามตัวเองว่า สิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือหายจากเราไปหรือ<ม>เรามีอะไรมารับประกันว่าสิ่งที่ได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีหรอกแม้แต่รถยนต์เรายังต้องซื้อประกันเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไปตลอดหรือไม่มันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่มแต่อย่างน้อยก็มีคนมา ให้เราประกันรถได้แต่เราก็ต้องเสียค่าประกันซื้อรถมาแล้วก็ต้องมาเสียค่าประกันแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษารถยนต์ถึงแม้ว่ารถยนต์จะให้ความสะดวกความสบายในการเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามแต่มันก็ให้ความวิตกกังวลกับเราให้ภาระกับเราเราต้องหาเงินมาเติมน้ำมัน หาเงินมาซ่อมรถยนต์หาเงินมาเข้าอู่มาบำรุงรักษารถยนต์นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องคิดกันถ้าเราคิดแล้วมันจะทำให้เราไม่อยากได้อะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเขาก็ต้องเสื่อมไปหรือเขาต้องหมดไปเวลาเขาเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไป เวลานั้นความสุขที่เราได้จากเขาก็หายไปแล้วสิ่งที่เราได้มาแทนก็คือความทุกข์ใจนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้มองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงคิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเรามองเห็นความเม่นเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเรามองเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขา ดีไปตลอดให้เขาให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรเราอยู่แบบไม่มีจะดีกว่าเราอยู่กับความสงบอยู่กับการนั่งสมาธิจะดีกว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบนี้เราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้นเราจึงควรพยายามฝึก ทำสมาธิกันให้ได้ฝึกสติกันให้ได้เพราะถ้าเรามีสติเวลานั่งสมาธิเราจะมีความสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้แล้วมันจะทำให้เรานีไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเราจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ต่อไปเราก็จะไม่อยากจะมี ถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมาหามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปนี่คือวิธีการที่พระุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงทาให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วนมนำออกไปปฏิบัติ ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกกันก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันตสาวกท่า น, นก็เป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแต่พอได้ไปวัดได้ไปฟังเทศฟังธรรมได้ไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาความเชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะได้เป็นพระอรหันตสาวลกเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน เพราะว่าการเป็นพระอรหันตสาวโนี้เป็นด้วยเหตุคือการปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพ่อพทธเจ้าดังนั้นถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อและเราปฏิบัติตามคําสอนได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงพวกเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยควรที่จะศึกษาให้มากๆคําสอนของพ่อพทธเจ้า ก็จะทำให้เรามีศรัทธาจะทำให้เราเข้าใจว่าวิธีปฏิบัินี้ปฏิบัติอย่างไรเราจะรู้ว่ามันไม่ยากเย็นเลยเพราะว่าคนอื่นเขาปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติได้เหมือนกับการเรียนหนังสือจบปริญญาถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มเรียนเราก็จะคิดว่ามันยาก แต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆเข้าปหนึ่งเข้าปอสองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ปริญญาเองชั้นใดถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทําทานไปเรื่อยๆรักษาสิงไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปเรื่อยๆพิจารณาความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นเองขอให้เราเชื่อแล้วปฏิบัติเท่านั้น แล้รับรองได้ว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะได้บรรลุได้หลุดพ้นกันอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นใจต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะนำพาให้พวกเราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวรวายตายเกิด การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพรศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข็งแ่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ and his discussion